อนุโลมโอกาสจากขุนศรีมูลกนันึ่งอยเก้อนุโลมปุชชาจากขุนศรีในภูมิใดกำลังเกิดโสตินศรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาโสตินศรีในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนศรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ อนุโลมปุจฉาจากขุนศีในภูมิใดกําลังเกิดคาณินทรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะในรูปป า, า, าวาจรภูมิในภูมินั้นจากขุนศีกําลังเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนสีกําลังเกิดและคาณินทรียก็กําลังเกิดปฏิโลมปุจฉา กานินตรีในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนศีในภูมิใดกำลังเกิดอิทธิศีละปุริศินศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนศีกำลังเกิดแต่ปุริศินศีไม่ใช่กำลังเกิด ในการม า, มาวจรภูมิในภูมินั้นจากขุนสีกําลังเกิดและปุริสินศีก็กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉาปุริสินศีในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโดมปุชชาจากขุนศีในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุชชา ชีวิตินทร์สีในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนทรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอยตัญญัตตะภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีกำลังเกิดแต่จากขุนทรีไม่เท่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีกำลังเกิดและจากขุนทรีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา จากขุนรีในภูมิใดกำลังเกิดโสมนัสสินศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาโสมนัสสินศีในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนศีในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกขินรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุชฌาอุเปกินรีในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปภูมิในภูมินั้นอุเปกินรีกำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นอุเปกขินรีกำลังเกิดแต่จากขุนสีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชฌาจากขุนสีในภูมิใดกำลังเกิดสัตินรียละ ปัญญินรียและมณินทรียในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจชามณินทรียในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนรีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นมณินทรียกําลังเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่กําลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมณินทรียกําลังเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิด จะขุนตริยมูลกนัยจบคานินตริยมูลกนัย169อนุโลมปุชขาคานินสีในภูมิใดกําลังเกิดอิทธิินสีและปุริสินสีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชขาปุริสินสในภูมิใดกําลังเกิดคานินสีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่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 ในภูมินั้นชีวิตินทร์สีกำลังเกิดและครัริ NCT> 有有นทร์สก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาคารินทรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดโสมนณสินทร์สีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมาณสินทร์สีในภูมิใดกำลังเกิดคาอินทรียีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาในรูปปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนณสินทร์สีกำลังเกิด แต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินรียกําลังเกิดและคานินทรีย์ก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคาณินทรีย์ในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกขินรียในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินรียในภูมิใดกําลังเกิดคาณินทรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิจัดจนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินสีกําลังเกิดแต่คาณินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินสีกําลังเกิดและคาณินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาคาณินทรีย์ในภูมิใดกําลังเกิดสัดทินรียและปัญินรียและมนินรียในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุชชามนินรียในภูมิใดกำลังเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรียกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นมนินตียกำลังเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดคานินตรียมูลกนัยจบ อิทนทริยม It ูลกนัย1 9ึ่อนุโลมปุชชาอิถธินสีในภูมิใดกําลังเกิดบริสินรีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาบริสินสีในภูมิใดกําลังเกิดอิทธินรีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอิถธินตริยมูลกนัยจบ ปุริสินตริยมูลกนัยหนึอนุโลมปุชขาปุริสินสีในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินตีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุชขาชีวิตินตีในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาแนวรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นชีว no ิสินรียกําลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่ใช่กําลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิสินรีกําลังเกิดและปุริสินรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาปริสินสีในภูมิใดกําลังเกิดโสมนัตสินรีย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา โสมนัสสินรีย์ในภูมิใดกำลังเกิดปุริสินรีย์ในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินรียกำลังเกิดแต่ปุริสินรียไม่เชิดกำลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินรียกำลังเกิดและปุริสินรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินรียในภูมิใดกำลังเกิดเปกขินรีในภูมินั้นกำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินสีในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกขินสีกําลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินสีกาลังเกิดและปุริสินสีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา ปุริสินสีในภูมิใดกําลังเกิดสัตทินสีและปั ญ, ญินรียและมนินทรียในภูมินมั้นกะ็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจชามนินทรียในภูมิใดกําลังเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็กาําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะในรู ป, ปวาวจรภูมิและอรู ป, ปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรียกําลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่กําลังเกิด ในกามาวจรภูมิในภูมินั้นมณีตีกำลังเกิดและปุริสินีก็กาลังเกิดปุริสินตริยะมูลกนัยจบชีวิตจรยมูลกนัย 199. อสินุมปุชชาชีวิตริยมูนนกลกนทยรีอยนุโลมปุาชีวิตจิาลนันงรยเกิกนโลมิตจริาูลนันงเกิดกาโลมชชิรยูนัหนงเกาิบเก้ามชวิตมัน้ยาสา ในยศญาติสัญญสตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียีกาลังเกิดแต่โสมณตินทรียีไม่ใช่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กําลังเกิดแต่โสมนณตินทรียีก็กําลังเกิดปฏิโดมปุชฌาโสมณสินทรียีในภูมิใดกําลังเกิดชีวิตินทรียีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชฌา ชีวิตินทรีในภูมิใดกําลังเกิดอุเบกขินทรีละสัจทินทรีละปัญญิทรีละมินทรียในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัจชนาในยาจญรย์สัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่กําลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรียกําลังเกิดและมนินทรีก็กําลังเกิดปฏิโดมปุจชามณีทรีในภูมิใดกําลังเกิด ชีวิตินทรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ชีวิตินทรียามูลกไยนิจจบสมณสินทรียามูลกไยนิเป็นต้นต้องร้อยอนุโลมปุจฉาโสมณตินทรีในภูมิใดกำลังเกิดอุเปกินรีละสัตินรีละปัญรีละมนินรีในภูมินั้นกำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโรมปุจชามนิินรีในภูมิใดกำลังเกิดโสมนัสสินรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่โสมนัสสินตรียะมูลกานัยเป็นต้นจบอุเปกินทริยะมูลกายนัยสองอนุโลมปุชชาอุเปกินรีในภูมิใดกำลังเกิดสัตตินรีและปัญญรีและมนิินรีในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามนิณีสีในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินสีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกินตริยะมูลกานายจบสัตทินทริยะมูลกานัย2องอนุโลมปุชชาสัตทินรีในภูมิใดกําลังเกิดปันญรีในภูมนินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิจ oui. ัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาปัญญิตีในภูมิใดกําล yes. ังเกิดสัตต yes. ินตีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาสัตตินตีในภูมิใดกําลังเกิดมณินตีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชามณินตีในภูมิใดกําลังเกิดสัตตินตีในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา ใช่สตินตรียมูลกายนิจปัญนตรีมูลกายนิจสองรยสามอนุโลมปุจฉาปัญญรี่ในภูมิใดกําลังเกิดมนินทรี่ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุจฉามนินทรี่ในภูมิใดกําลังเกิดปัญญรี่ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปัญญตรียมูลกนันในจบอนุโลมปุกคโลกาตจากขุนตริยมูลกนันนส อ, อย204อนุโลมปุจฉาจากขุนสี่ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสตินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจกักรูเกิดได้โ ส, สตะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจากขุนสี่ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด แต่โสตินทรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจะขู่ได้โสาตะเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสตินรียก็กำลังเกิดปฏิโดมปุจฉาโสตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะพิจัดชนาะ บุคคลผู้มีโสตาเกิดได้จกคูเกิดไม่ได้กําลังอุบัตโสตินทรีของบุคคลเหล่หททหานั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จกขุนตรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีโสตาและจกคูเกิดได้กําลังอุบัติโสตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจกขุนตรีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจกขุนตรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีจักรกเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรกูและคานะเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดปฏิโรูปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีคานะเกิดได้จกขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินทรีเขาบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จากขุนตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและจากขู่เกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีเขาบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและจากขุนตีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนตีเขงบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดอิทินรีเขาบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้มีจักรกเกิดได้อิถีเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิถินศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรกและอิทถีเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อิถินศีก็กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาอิถินศีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนา บุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้จะขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธินิสียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จากขุนศรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิได้จะขู่เกิดได้กำลังอุบัติอิทธินิสัยของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและจากขุนศรีก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนศรีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดปุริสินิสียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้มีจักรูเกิดได้ปุริสาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูและปุริสาเกิดได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปุริสินศีก็กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้มีปุริชาเกิดได้จกขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จากขุนตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีปุริชาจกขู่เกิดได้กำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและจากขุนตีก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนตีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิตติชนา ใช่ปฏิโดมปุจฉาชีวิตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจากกูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จากขุนตรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจากกูเกิดได้กําลังอุบัติชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจากขุนตรีก็กําลังเกิด อนุโลมปุชชาจากขุนตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมณสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจจรนาบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัตกําลังอุบัติจากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสมณตินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้และมีจิตเป็นโสมณตกําลังอุบัติ จากขุนศีขุมควรเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดดัชนีมณฑินศีก็กําลังเกิดปฏิโรมปุจฉาดัชนีมณฑินรีขุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนศีขุมควรนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจากขุนศีขุมควรใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกินรีขุมควรนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู anyway, <us> right. <us> so like ้มีจักขคเกิดได้จะมีจิตปราศจากอุเปกขากำลังอุบัติจักขุ้นสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขคเกิดได้จะมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติจักขุนณสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเปกินสีก็กำลังเกิดปฏิรมปุจฉาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด จากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีจักรกเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอุเปกขินศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีจักรกเกิดได้กําลังอุบัติอุเปกขินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา จากขุนรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตทินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีจ้าครูเกิดได้จะเป็นอเหตุตุกะกําลังอุบัติจากขุนรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตตินรีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจ้าครูเกิดได้และเป็นสเหตุกะกําลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตตินรียก็กําลังเกิด ปฏิรอมปุชชาสัตตินรีกรรมบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนศีกรรมบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีเหตุตุกกาได้มีจักรเกิดไม่ได้กําลังอุบสัตตินรีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุุกกาได้มีจักรเกิดได้กําลังอุบสัตตินีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิด อนุโลมปุจฉาจากขุนศีกรรมบุคคลใดในภูมิใดกาลังเกิดปัญญิตีกรรมบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้มีจ้าขู่เกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุตกาลังอุบัตจากขุนศีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกาลังเกิดแต่ปัญญิตีไม่ใช่กาลังเกิดบุคคลผู้มีจ้าขู่เกิดได้และเป็นญาณสัมปยุตกาลังอุบัตจากขุนศีกรรมบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกาลังเกิด และปัญญิีสีก็กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉาปัญญิีสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้เป็นญาณสามปยุต์แต่มีจักรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปัญญิีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จากขุนตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณวิปรยุต์แต่มีจักรเกิดได้กําลังอุบัติ ปัญรีสีกบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจากขุนศีก็กําลังเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนณีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชามนิณีสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้มีจ no ิตเกิดได้จกขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนินทรีข้าบพุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจะขู่เกิดได้กำลังอุบัติมนินทรีข้าบพุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและจากขุนสีก็กำลังเกิดจากขุนทริยะมูลกนาอจบคานินตริยมูลกนาอิสองร้อยห้าอนุโลมปุชชา คานินรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้อิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อิทธิินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติคานินทรีขกงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอิทธิินรียก็กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉา อิทธิสีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทธิสียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานินรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีอิทธิและคานะเกิดได้กําลังอุบัติอิทธิสียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคานินทรียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา คาณินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปุริตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ปุริตาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปุริตินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะและปุริตาเกิดได้กําลังอุบัติคานินทตีของบุคคลล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปุริตินตีก็กําลังเกิดปฏิโลมปุชชา ปริถินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปริจาเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปริถินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีปริจารและคานะเกิดได้กําลังอุบัติปริถินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคานินตียก็กําลังเกิด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 บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติชีวิตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาคานินทรียของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดโตมวัณสินทรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ บุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสตินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ได้มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติคานินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสมนัสตินรียก็กำลังเกิดปฏิโรมปุชชาโสมนัสตินทรีของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิด คาณินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นโสมนัสแต่มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คาณินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสและคานาเกิดได้กําลังอุบัติโสมนัสสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคานินตีก็กําลังเกิด อนุโลมปุจฉาคานินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกขินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่อุเปกขินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ได้มีจิตอุเป็นอุเบกขากําลังอุบัติ คานินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเปกขินรียก็กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกขินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคาณินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีคานาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอุเปกขินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานินทรีย์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจิตเป็นอุเบกขาและมีคานาเกิดได้กำลังอุบัติอุเปกขินตีข้ามบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินตียก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีข้ามบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจัดทินตีข้ามบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีคานาเกิดได้จะเป็นอเหตุุกกะกำลังอุบัติคานินทรีข้ามบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่สัตตินตียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้และเป็นเหตุตุกะกําลังอุบัติคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตทินตียก็กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาสัตตินตียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานินตียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้เป็นเหตุตุกกะแต่มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ สัตทินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คาณินตีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเหตุตุกกาและมีคานะเกิดได้กําลังอุบัติสัตทินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคาณินตียก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคาณิตีกับบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญตีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนา บุคคลผู้มีคานะเกิดได้ Freeman, ja แต่เป็นญาณวิปปยุทธ์กำลังอุบัติคานินตีเขาบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินตีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ได้เป็นญาณสัมปยุทธ์กำลังอุบัติคานินตีเขาบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญินตีก็กำลังเกิดปฏิโลมปุจฉาปัญญินตีเขงบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดคานินตีเขงบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้เป็ Omaha, นญาณสัมปยุตแต่มีคานาเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินตีเขงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ก yeah, ำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตจะมีคานาเก China, karate, ิดได้กำลังอุบัติปัญญินตีเขงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินทรียก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชาคานินทรีเของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิด มณินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิรมปปุจฉามณินตีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมณินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานินตีไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีคานาเกิดได้กำลังอุบัติมานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานินตีก็กำลังเกิดคานินเทียะมูลกานาันในจบ